ตั้งอกตั้งใจฝึกตนหัดนอนตื่นดึกลุกเช้าผู้ปฏิบัติธรรมมันต้องเป็นอย่างนั้นจะไปทำตนเหมือนอย่างคนที่หนักไปในกามคุณนั่นไม่ถูกต้องเลย ตอนหัวรุ่งอากาศเป็นอุตุธาตุอากาศไม่หนาวนักไม่ร้อนนักพอดีพอดีตื่นขึ้นมาล้างหน้าล้างตาทาจิตธุระอะไรไปมามันก็หายง่วงกายก็เบิกบานใจก็เบิกบานนี่เรียกว่า เป็นผู้ตื่นอยู่ไม่หลับไม่ไหลตื่นต่อมัจจุราชคือความตายคนเราหนีตายไม่พน้นมือนี้การตายนี่ทุกคนก็รู้ดีแหละก็าเป็นเรื่องธรรมดาแต่ที่นี่ปัญหาันมีอยู่ว่าตายแล้วจะไปเกิดที่ไหน อย่าไปเกิดที่สุขหรือที่ทุกข์เพราะมันมีทางไปสองทางปัญหามันอยู่ตรงนี้ดนืองนั้นน่พระพุทธเจ้าก็จึงได้ทรงสั่งสอนพุทธบริษัทให้ตื่นตัวอยู่เสมอใครๆก็อยากจะมีความสุขอยู่ในโลกนี้ก็ต้องการมีความสุข เมื่อละโลกนี้ไปแล้วก็ตดต้องการให้เป็นสุขสบายไม่มีใครต้องการทุกข์เมื่อเป็นเช่นนี้ความสุขความทุกข์มันเกิดจากอะไรเราต้องพิจารณาดูให้เห็นมันก็เกิดจากกางกระทานี่นี่จะให้มันเกิดขึ้นเองลอยๆนะั้นไม่ได้เลยความสุขความทุกขนะ์ มันเกิดจากการกระทาความดีหรือความชั่วแต่ในอดีตชาติหนหลังนุ่นด้วยมันเกิดจากการกระทาดีหรือทำชั่วในปัจจุบันนี้ด้วยอย่างเช่นความทุกข์กายอย่างนี้นะบุคคลด้ร่างกายมาไม่สมบูรณ์บกพ้องอะไรต่ออะไร มีโรคภัยอันร้ายแรงเบียดเบียนรักษาอย่างไรก็ไม่หายนั่นมันก็เกิดจากการกระทําในอดีตนูน่นตนไปเบียดเบียนบุคคลอื่นสัตว์อื่นทรมานสัตว์อื่นให้เจ็บให้ปวดให้ทนทุกข์ทรมานอดอาหารต่างๆกรรมนั่นมันก็ตามมาถนองเอา ทางร่างกายนี่นะาทาง จ, จิตใจเป็นทุกข์ใจก็เพราะเหตุว่าไม่ได้สั่งสมบุญกุศลคุณความดีใส่ตนมามากมายทำความดีก็เพียงเล็กๆน้อยๆแล้วความชั่วมันมีมากกว่าความดีพ็เกิดมาในโลกนี่ จิตใจก็ไม่ดีมีแต่คมตะเวนมารบกวนใจขวุนวายเดือร้อนหนาแน่นไปด้วยความโลภโกรธหลงนี่แหละคนเราจะทุกข์กายหรือทุกข์ใจนะมันเกิดจากการกระทำอย่างนี้แม้จะสุขกายหรือสุกใจมันก็ก็เช่นเดียวกันนะกลงกันข้า ม, นะมก็ทำดี น, นั่น่ย เมื่อทำดีด้วยกายกายไม่เบียดเบียนใครไม่ทำใครให้เป็นทุกข์เดือดร้อนไม่ทรมานใครอย่างนี้นะมีแต่ทำความดีเอื้อเฟื้อเกื้อคูลแก่ผู้อื่นให้เป็นสุขสบายไปรู้จักเคารพนบน้อมต่อบุคคลที่ควรเคารพรู้จักกราบไหว้บุคคลที่ควรกราบคนไหว้ บุคคลผู้มีอุปการะคุณแก่ตนหนึ่งที่ควรกราบคุนไหวในบุคคลผู้มีคุณวุฒิสูงกว่าตนถึงท่านจะไม่มีอุปการะคุณแก่ตนตนก็ต้องแสดงความอ่อนน้อมถ่อมตนตอ่อเพราะบุญของตนน้อยกว่าเพื่อนเพื่อนบุญมากกว่าเราบุคคลผู้ รู้จักประพฤติอ่อนน้อมถอมตนทางกายดังกล่าวมานี่บุญกุศล น, นั้นมันก็ส่งให้มาเกิดในตระกูลสูงถ้ามาเกิดในโลกนี้อีกอมีร่างกายสวยสดงดงามสมบูรณ์พูนสุขก็อย่างนี้นี่ พูดถึงการกระทานี่นะมันเป็นเช่นนี้เนะี่ยให้พา ก, กันคิดกันตรองดูให้ดีทีนี้เมื่อทำความดีด้วยกายเข้าไปแล้วความหมายคามว่าจิตใจนั้นเองแหละมันเป็นธรรมมันจึงใช้กายใช้วาจาทมพูดไปในทางที่มันเป็นประโยชน์ตนและผู้อื่นนี่เวลาผลมันอานวยให้ เช่นอย่างเกิดมาในชาตินี้เมื่อร่างกายสมบูรณ์อย่างนั้นจิตใจก็ดีนี่เป็นคนใจดีมีเมตตาอารีมีใจคอกล้องขวางเพอแพ้เมื่อเมื่อบุญกุศลร้องอำนวยผลให้ร่ลำรวยแล้วก็ไม่หวงแหนไว้บริโภคสัพพอตัว เรายังคิดเผื่อแผ่แก่คนอื่นอย่างที่เราเห็นกันมานั่นท่านผู้ที่สร้างบุญกุศลมามากเป็นผู้ได้มีภาวนาทางคิดใจพิจารณาเห็นร่างกายสังขารอันนี้มี เที่ยงไม่ยังยืนแล้วเกิดสังเวทเกิดเบื่อหน่ายมาชาติก่อนน้นแต่ก็ยังไม่สามารถที่จะละกีเลสให้ขาดจากสันดาลได้เพราะอินทรียังอ่อนมันก็เป็นอุปนิสัยปัจจัยติดตามม า, าเกิดมาชาตินี้กุศลธรรมที่ได้สั่งสมอบรมมาโนกมรมะ กระตุ้นเตือนใจให้นึกถึงความไม่เที่ยงแท้แน่นอนแห่งชีวิตมองเห็นชีวิตนี่ไม่มีแกนสารอะไรแล้วก็มองเห็นแจ้งในเรื่องบุญเรื่องบาปว่ามีจริง <c oughs> ผู้เช่นนั้นแหละจะเป็นผู้ที่ถอนตนออกจากการของเลือน เพราะว่าเบื่อหน่ายในการคลองเรือนมีแต่เว้นมีแต่ภัยมีแต่ความทุกข์ความยุ่งยากสารพัดผู้ใดคิดได้อย่างนั้นแสดงว่าแต่ชาติก่อนนั้นก็เคยภาวนามาเคยเจริญอนิจจังทุกขังอนัตตาเป็นอารมณ์มามันถึงได้มากระ ต, ตุ้นเตือ น, น จ, จิตใจในปัจจุบันนี้ ให้ระลึกได้ให้รู้ได้นี่เหตุปัจจัยแห่งชีวิตคนเรานะ่ะจะเป็นสุขหรือเป็นทุกข์มันขึ้นอยู่แก่การกระทําเมื่อบุคคลทำความดีในขั้นต้นมันสมบูรณ์แบบมาแล้วเนี่ยมันก็ มันก็มองเห็นว่ายังไม่สมบูรณ์พอก็ต้องการอยากทำความดีให้สูงขึ้นไปกว่านั้นอีกอันผู้มีอุปนิสัยวาสนามันหัาเป็นอย่างนั้นนี่รักเช่นผู้ครองเรือนรักษาศีลห้าให้บริสุทธิ์ได้แล้วอย่างนี้ก็ยังไม่จุใจยินดีที่จะรักษาศีลอุโบสถ ในวันแปดคำสิบห้าคำอีกด้วยมันก็ค่อยเลื่อนขั้นขึ้นไปอย่างนั้นจิตใจที่มันมีบุญกุศลหนุนส่งอไอ้ผู้ที่อินรีแก่กล้าไปกวัวนั้นก็อย่างว่านั้นแหละเห็นทุกเข็นภัยในการคลองเรือนก็จึงได้ถอนตัวออกบวช นุ่งขาวหมขาวบ้างนุ่งเหลืองหมเหลืองบ้างตามเพศตามภูมิแต่บางคนเนะ่ยก่อนมาบวชก็เห็นโทษเห็นภัยในการคลองเลือนจริงเมื่อบวชเข้ามาแล้วไม่ตั้งอกตั้งใจทำความเพียรปึกใจให้สงบไม่อบไม่ได้อบรมปัญญาให้เกิดขึ้น ถูกกิเลสมันครอบงำเอาปรหวน้ระลึกถึงการคลองเรือนว่าว่านั่นว่าเป็นสุขสบายเห็นการประพฤติรพมจันนี้เป็นทุกข์เกลอยดร้อนก็จึงได้ถอนตัวออกจากเพศรพมจันทร์กลับไปครองเรือนตามเดิมในอย่างนี้มันก็ขึ้นอยู่กับตัวเองแต่ละคน ขึ้นอยู่กับวาสนาบารมีของแต่ละบุคคลนะมันเป็นอย่างนี้ชี้ให้เห็นนะว่าชีวิตของคนเรานะ่ะมันจะเจริญขึ้นหรือมันเสื่อมลงมันอาศัยเหตุปัใจจัยในหนหลังมาสมทบเหตุปัจจัยในปัจจุบันมันเป็นอย่างนั้นเช่นอย่างว่า คนผู้ที่มีบุญได้ฝึกผลอบรมตนมาเคยคบหาสมาคมกับนักปราบบัณฑิตมาแต่ก่อนหนึ่งพอเกิดมาชาตินี้ไปเห็นนักปราดบัณฑิตเขาแล้วนึกเรื่อมใสศรัทธายินดีเข้าใกล้เข้าชิดปรึกษาไต่ถามข้อข้องใจต่างๆ ไม่สนใจที่จะไปคบหลาสมาคมกับคนพานคนที่บําเพ็ญตนเป็นนักเลงสี่ประเภทนั่นน่ะนักเลงเจ้าชู้นักเลงสูรานักเลงเล่นการพนันนักเลงคบคนชั่วเป็นมิตรผู้มีบุญไม่สนใจจะไปคบกับคนเหล่านั้นสนใจคบค่าสมาคมแต่คนดี คนที่เว้นจากความเป็นนักเลงสี่จำพวกนั้นนักปราชญ์ท่านก็จูงไปในทางดีแนะนหนทางแห่งการดำเนินชีวิตไปในทางที่ถูกต้องแม้ว่าผู้นั้นจะออกบวชไม่ได้อยู่ครองเรือนมากับครองเรือนประกอบไปด้วยศีลด้วยธรรมเป็นผู้มีศีลธรรมเป็นเครื่อง ดำเนินเป็นเครื่องเลียงชีพเรียกว่าเลี้ยงชีพโดยศีลโดยธรรมคนผู้ที่ได้รู้จักผลทางคนทุกได้แล้วนะแล้วผลทางไปสู่ทุกก็รู้อย่างนี้มันก็เว้นทางที่จะไปสู่ทุกนั่นพยายามดำเนินตามทางที่จะไปสู่ความสุขความเจริญ นี่เหตุปัจจัยชีวิตของคนเรานี่นะมันเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นผู้ใดมีโอกาสได้ครบผาสมาคงกับนักปราช บ, บัณฑิตชื่นชมยินดีกับความดีของท่านแล้วนะับว่าเป็นลาบอันประเสริฐของผู้นั้นเพราะบุคคลผู้ที่บำเพ็ญเป็นสาวกบารมีเนี่ย ไอจะไปคิดค้นเรื่องสัจธรรมให้รู้แจ้งโดยตนเองเนี่ยไม่ได้มันต้องอาศัยผู้อื่นต้องอาศัยการคบหาสมาคมกับนักปราชบัณฑิตดังกล่าวมานั้นได้รับคําแนะนําจากนักปรารถนทั้งหลายจึงได้รู้จักหนทางออกจากทุกข์ได้ส่วนที่ท่านผู้ปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้านั่น อันนั้นศึกษากับผู้อื่นบ้างคิดค้นคว้าเอาด้วยตนเองบ้างในตอนที่บา ร, รมียังไม่แก่กล้ายังไม่เต็มบริบูรณ์ทันเมื่อบุญบา ร, รมีเต็มบริบูรณ์แล้วนี่พระองค์ไม่ได้ไปศึกษากับใครคิดค้นหาทางศัจสรูโดยลำพังพระองค์เองพระพุทธเจ้าทุกพระองค์ ทุกพระองค์ยอมบำเพ็ญมาอย่างนี้เหตุนั้นจึงได้ทรงพระคุณนามว่าสัมมาสัมพุธทธะแปลว่าพระผู้ตัดสรู้ชอบโดยพระองค์เองไม่มีใครเป็นครูอาจารย์แนะนำสั่งสอนดังนั้นเมื่อเราไม่ได้ปรฎถนาเป็นพระพุทธเจ้าเราก็ต้องรู้ตัวเออ เมื่อเราช่วยตัวเองไม่ได้มันก็ต้องนกนนมหาท่านผู้รู้ผู้ฉลาด น, นั่นนท่านจะได้แนะนําในทางที่ถูกต้องให้และจะได้แนะนําให้วิ่นจากทางพิษอันนี้มันมันเป็นไปอย่างนี้ชีวิตของมนุษย์เรานะ่ะมันเป็นท่านเป็นตอนอย่างนี้ให้เข้าใจ อันบุคคลบางคนก็ไม่ได้ปรารถนาเป็นผู้เท่เจ้าอะไรแล้วแต่ไม่ได้เสวงหาคบค้าสมาคมนักปราบบัณฑิตตนคิดได้อย่างไรก็ทำไปอย่างนั้นตนคิดเห็นผิดก็ทาไปตามที่มันเห็นผิดนั่นถ้าเห็นถูกก็ทาไปตามที่เห็นถูก ถูกไปบ้างผิดไปบ้างบางทีก็ผิดมากกลัวถูกไอ้เช่นนั้นชีวิตของผู้นั้นจะไม่เจริญรุ่งเรืองไปได้เพราะเอาแต่ความเห็นของตนเองความเห็นของตัวเองมันเจืออยู่ด้วยกิเลสมันีดังนั้นจะให้มันถูกล้นล้นไปไม่ได้เลยเมื่อเราได้อาศัยคําสอนของพระพุทธเจ้า อาศัยนักปรากผู้ทรงไว้ซึ่งคำสอนของุติเจ้านำมาเนะนํำสั่งสอนชี้หนทางอันถูกต้องให้ชี้ทางผิดให้เมื่อรู้ทางทางผิดทางถูกแล้วมันก็เลือกเดินเอาวะนี่ทางไหนถูกก็เดินทางนั้นทางไหนผิดก็เว้นมันมันเป็นอย่างนี้ ชีวิตของคนเรามันจะเจริญรุ่งเรืองจะมีความสุขความเจริญจะเป็นผู้สมบูรณ์ด้วยสมบัติสามประการคือมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัตินิพพานสมบัติถ้ามาเกิดเป็นมนุษย์ก็สมบูรณ์ด้วยกายสมบัติวจีสมบัติมโนสมบัติโคละสมบัติปัญญาสมบัติ นี่บุคคลผู้ฝึกต้นด้วยดีพบหาสมาคมนักปรารบนณดิตละความชั่วทำความดีมาโดยลำดับชาติบุญกุศลความดีก็ส่งชีวิตของคุนั้ให้สูงขึ้นไปโดยลำดับท่านจึงเรียกว่ามนุษย์สมบัติทีนี้เมื่อเป็นมนุษย์ก็ทำความดีมีศีลมีธรรม สั่งสมบุญกุศลใส่ตนให้เต็มความสามารถบุคคลผู้ไม่ทำชั่วทำแต่วความดีอย่างนี้แต่ว่าบุญกุศลบารมียังไม่เต็มตายแล้วก็ไปเกิดสวรรค์น่าจะไปไหนแบบนี้อันสมบูรณ์ด้วยที่ผสมบัตินาน า, นาประการด้วยอำนาจบุญกุศลที่ตนทำแต่เป็นมนุษย์มันไปอำนวยผลให้ในสวรรค์ ไม่ต้องทำมาค้าขายให้ลำบากเหมือนอย่างเกิดอยู่ในมนุษย์โลกนี่อาศัยผลบุญที่ตนทำในโลกนี้มันไปอำนวยให้แต่บุญมันต้องมากพอสมควรมันจึงเกิดนิรมิตอะไรต่ออะไรให้ได้ตามประสงค์ถ้าบุญไม่มากพอก็ไปสวรรค์ไม่ได้ก็ต้องวนเวียนเกิดอยู่ในมนุษย์โลกอันนี้แหละ บุคคลผู้ที่มีบุญกุศลเนี่ยไม่ได้ไปสู่นรกอบายภูมิผู้ที่มีบุญมากกว่านั้นก็ไปสวรรค์ผู้เจริญฌานสมาบัติตายแล้วก็ไปสู่พรหมโลกมันก็เป็นอย่างนี้แหละทางเดินแห่งชีวิตของมนุษย์เราท่านปุระอาสวะกิเลสหมดสิ้นไปแล้ว ท่านก็ดับขันเข้าสู่พระนิพพานนิพพานังประมังสุขขังพระนิพพานเป็นสุขอย่างยิ่งไม่มีสุขอื่นยิ่งไปกว่าเลยเรียกว่าเป็นยอดแห่งความสุขทั้งหลายไม่ได้แสวงหาความสุขอื่นอีกแล้วบุคคลผู้บรรลุถึงซึงพระนิพพาน ย่อมได้เสวยความสุขอยู่อย่างนั้นตลอดอนันตการด้วยเหตุนี้พระพุทธเจ้าพุทธทุกพระองค์จึงสร้างบารมีเพื่อให้ได้บรรลุถึงซึ่งพระนิพพานแล้วก็ทั้งชักชวนหรือชักจูงพวกอื่นให้สร้างบารมีตามเพื่อให้ถึงจุดหมายปลายทางอย่างว่า ถ้าบุคคลผู้ยังไม่เลื่อมใสต่อพระนิพพานแล้วไปยินดีแต่ในความสุกขในมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติเท่านี้พอใจอยู่เท่านี้มันก็ต้องเทียวตายทเที่ยวเกิดอยู่อย่างนั้นไปเรื่อยไปเพราะว่าแม้จะเกิดมาเป็นมนุษย์สมบัติเกิดเป็น พูเป็นคนมาแล้วสมบูรณ์ด้วยพภค่าสมบัติปัญญาสมบัติอะไรก็ช่างแต่รูปกายอันนี้มันก็ไม่เที่ยงไม่ยั่งยืนเมื่อบุญกุศลตกแต่งให้มีรูปร่างสวยสดงดงามแล้วก็หวงบบบนี้หวงไม่อยากแก่ไม่อยากเจ็บจากตายง่ายเวลารู้ว่าความแก่ความเจ็บ บีบคั้นเข้ามาก็เป็นทุกข์แล้วเดือดร้อนแล้วห่วงสมบัติเข้าของเงินทองอะไรทรพัดอันโดยเหตุผลดังกล่าวมานี่แหละพระพุทธเจ้าจึงตัดว่าชาติความเกิดมันเป็นทุกข์เพื่อนชื่อว่าเกิดบ่อยๆนี่เป็นทุกข์หลายมแม้จะเกิดอยู่ในภพใดภูมิใดก็าทั้ง มันก็มีทุกข์อยู่นั่นแหละต่างแต่มากและน้อยกูการเท่านั้นเองเช่นเทวดาอย่างนี้เวลาบุญกุศลอำนวยผลให้มีวิมานเป็นที่อยู่สบายพร้อมด้วยสมบัติอย่างอื่นๆ อ, อันเป็นที่น่ารื่นเริงบันเทิงใจทีนี้โยไปโยไปเมื่อบุญกุศลมันใกล้จะหมดลง อ้าดอกไม้ที่ประดับประดาอยู่บนปราสาทนั้นสวยสดงดงามนันก็ปลักกดหิวเฉาเข้าไปผ้านุ่งผ้าห่มอะไรก็เศ้ามองไปอมองดูร่างกายอันนี้ก็ไม่สดชื่นลื่นเริงเหมือนแต่ก่อนอย่างนี้เทวดาเมื่อมองเห็นนิมิต ด, ดังกล่าวนั้นแล้วก็เศร้าใจเพราะอะไรถิ่นที่อยู่ ไม่อยากพลากจากไปเคยได้สุขสบายในสถานที่นั่นมาแล้วนี่หลมันก็มีทุกเหมือนกันเทวดานะ่ะต่างเทว่าทุกไม่ไม่มากเหมือนอย่างมนุษย์โลกนี้อนันแหละพวกพรหมก็เหมือนกันอืมพรหมมีสุขมากกว่าเทวดาแล้วก็มีทุกน้อยกว่าเทวดาไปตามลําดับอย่างนั้นแหละ ถึงจะมีสุขมากเท่าไหร่มันก็สุขไปในช่วงระยะหนึ่งมันมีขอบเขตหมดเหตุหมดปัจจัยอันอำนวยความสุขให้นั้นแล้วมันก็เคลื่อนที่ไปหาที่เกิดใหม่อีกแม้จะเป็นพรหมก็าตามต้องหมุนไปหาที่เกิดบางทีก็มาเกิดเป็นคนอีกบางทีไม่แน่นก็ไปเกิดเป็นสัตว์ก็ได้มันวัาตาสงสารอันนี้นะ ไม่แน่นอนเลยพระพุทธเจ้าก็ดีพระสาวกทั้งหลายก็ดีท่านเจริญภาวนาวิปัสนาเพ่งพิจารณาดูเหตุปัจจัยแห่งชีวิตนี่นะ่ะเห็นทะลุปุกงงไปเลยอย่างนั้นแล้วท่านจึงได้เกิดนิพพิทาความเบื่อหน่าย ทุกขาชาติปุนัปปุนังพระองค์เจ้าจึงปริ่งกุทานอย่างนี้ออกมาการเกิดบ่อยๆนี่เป็นทุกข์หลายนนะพุทธบริษัททั้งหลายก็ควรจะพิจารณาให้เห็นตามที่พระพุทธเจ้าทรงปริ่งกุทานอย่างว่านั้ น, น, นนะเพราะว่าทุกคนก็มีความทุกข์ติดตัวกันทั้งนั้นเลยแต่ มันยังมีตัณหาเป็นเหยื่อร่อให้ติดอยู่ในทุกข์เหตุที่มันจะพ้นทุกข์เหล่านี้ไปไม่ได้เ พ, เพราะตัณหาเนี่ยเป็นเหยื่อร่อตัณหาความอยากความพอใจในรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสอันดีงามต่างๆนี่นะอันสวยอันงามต่างๆเนี่ยนี่แหละเป็นเหยื่อร่อให้ติดอยู่ในทุกข์ ดังนั้นคนมันถึงพ้นทุกไปไม่ได้นักปราชญ์ผู้มีปัญญาทั้งหลายท่านไม่หลงเหยื่อล่อเหล่านั้นอืมท่านผู้ออกบวชแล้วอย่างนี้ท่านก็ไม่หวนกลับไปหามันเพราะท่านมีปัญญามองเห็นแล้วว่ามันเป็นทุกข์มันไม่มีสาระแกนสารอะไรมีแต่ทุกข์มันทําให้เกิดความยินดีเพียงนิดหน่อย แต่แล้วมันทำให้เกิดความทุกโทมนัะครับแค้นใจมากมายบุคคลผู้ไปติดไปคล้องอยู่ในกรรมมุณทั้งห้านั่นมันเป็นอย่างนี้แหละการภาวนาการเจริญปัญญาก็ต้องพิจารณาให้เห็นเหตุปัจจัยของชีวิตดังแสดงให้ฟังมานี่นะนี่ ต้องพิจารณาให้เห็นผู้ใดพิจารณาเห็นเหตุหปัจจัยแห่งชีวิตตามเป็นจริงอย่างว่านี่แล้วผู้นั้นก็ไม่ตกเป็นทาสของกิเลสตัณหาเหล่านั้นมันจะล่อหลอกมันจะแสดงมายาสาไถายอย่างไรมามันก็ไม่หลงแล้วทีนี้ไม่วันไหว้ไปตาม ถ้าพูดถึงผู้ครองเรือนอย่างนี้บุญกุศลผลหลังอำนวยผลให้มีเงินมีทองเท่าของมากมายแล้วประกอบรูปร่างกายก็หลอด้วยอย่างนี้อา้าวก็มีเพศกลงกันข้ามมันมายั่วยวนชวนให้หลงให้เมาก็หลงก็เมาไปตามสิ่งยั่วยวนนั้นัน่นอ ชีวิตของพวนั้นก็ตกต่ำลงไปอีกแล้วจะไม่สูงขึ้นไปอีกต่อไปออเพราะว่าจิตมันตกต่ำไปแล้วตกเป็นทาสของตัณหาแล้วกลายเป็นนักเลงเจ้าชู้เป็นนักเลงสุราเป็นนักเลงเล่นการพนันไปแล้ววะนีะ่เงินทองเข้าของบุญกุศลทุนหลังอำนวยให้ก็ย่อยยับลง ก็มีแต่ทุกข์เท่านั้นเองนี่เพราะฉะนั้นเมื่อทราบอย่างนี้แล้วพึ่งพากันตั้งใจภาวนาพิจารณาร่างกายนี้ให้มันเห็นแจ้งประจักษ์ลงไปแล้วมันจะมีมันจะได้ไม่หลงไม่เมาจะไม่ได้ตกเป็นทาตของกิเลสตัณหาดังแสดงมา